โลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความวุ่นวายนานาประการหาความสงบสุขได้ยกไปเพียงแต่โลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันร้อนระอุอยู่โดยเพลิงภายในคือกิเลสแล้วไม่ปราถนาโลกไหนๆเรียกว่าสัพพโลเก อ, อนะพิระตะสัญญาการกำหนดใจไม่ปราถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่า จะมีใจคลองหรือไม่มีใจคลองก็ตามไม่ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจเหมือนคนโปรงภาระหนักโงเสียการกําหนดใจดังนี้เรียกว่าสัพพะสังขาเรสุอนิทสัญญาหรืออนิจจสัญญาการกําหนดลมให้ใจเข้าและออกมีสติตั้งไว้ที่ลมให้ใจ เมือ่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นท้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาการมราคะและความหลงไหลเรียกว่าอานาปานสติพระคิริมานันทะได้ทรงกระแสจิตไปตามธรรมบัรยายของพระ อ, อ น, นุ์รู้สึกทราบซึ่งปิติปราโมทเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแห่งธรรมโมทชปัญญา สามารถข่มอาพาธหนักเสดได้ท่านหายจากอาพาทนั้นได้ฟังสัญญาสิบประการจากพระพุทธอุชานอกจากบรระชิตแล้วยังมีคฤหัสถ์อีกมากหลายซึ่งพระอนต์นได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีและขหบดีนามว่าสิริวัฒนาะชาวเมืองราชคลึและขหบดีนามว่ามารณทินะ ชาวเมืองรัชกฤึเช่นกันแน่นอนทีเดียวการอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคลาวอาพาทนั้นย่อมเป็นสิ่งประทับใจอยู่ตลอดกาลทั้งแก่ผู้รับและแก่ผู้ให้โรคเป็นศัตรูของชีวิตการช่วยกำจัดโรคเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของชีวิตทำนองเดียวกับกิเลสเป็นศัตรูของใจการช่วยกำจัดกิเลส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 สามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตเหมือนประสบมาเองบางคนสามารถได้เจโตปริยญาณคือรู้วาราจิตของผู้อื่นตอบปัญหาได้โดยที่ผู้ถามเพียงต่นึกถามอยู่ในใจเท่านั้น อาน o น์ได้เห็นสังฆาระวะพราหมณ์ผู้ถือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นอาจินวัตอดังนั้นแล้วจึงมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญสังฆาระวะพราม์เวลานี้อยู่ในวัยชรามีอธัธยาศัยงามพอสนทนาได้อยู่แต่อาศัยความเชื่อถือเก่าๆท่านจึงยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยพระมหากรุณา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 เพราะว่าได้หลายผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้าลงมาเป็นแม่กงคาสวรรค์ข้าพเจ้าจึงเลื่อมใสและปฏิบัติตามบุรพชนซึ่งเคยถือปฏิบัติกันมาและข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถชำรกบาปได้จริงๆพรามขอให้ท่านนึกว่าเราสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเนถิดท้าคตขอถามท่านว่าบาปมนทินนั้นอยู่ที่กายหรือว่าอยู่ที่ใจ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 สิ่งปฏิกูลภายในจะพลอยหมดไปด้วยหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญบุรุษผู้นั้นย่อมเหนื่อยแรงเปล่าไม่อาจทำให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งสกปรกเคยเกล่กลังอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างเดิมดูก่อนพราม์แล้วกล่าวกายทุจริตว จ, จีทุจริตและมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจสกปรก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 พระอ น, นุลพุทธอนุชาเป็นผู้ที่มีน้ำใจปรารถนาความสุขความสำเร็จแก่ผู้อื่นในฐานะที่พอช่วยเหลือได้ดังได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกประการหนึ่งของท่านที่น่าประทับใจ ย, ยิ่งนักก็คือมีความเคารพยำเกรงต่อพระเทระผู้ทรงคุณธรรมอันปรสริฐซึ่งพระศาสดาทรงยกย่องแล้วมีพระสารีบุตรและพระมหาัสปะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาคสปะนั้น พระอ น, นุลไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อของท่านคราวหนึ่งพระมาหากษัตริยจะเป็นอุปช้ายะให้อุปสมบทแก่คนบุตรผู้หนึ่งจึงส่งธูดไปนิมนต์พระอ น, นุลเพื่อสวดอนุสาวนาคือสวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสงฆ์ในการสวดนี้จะต้องระบุชื่ออุปช้ายะด้วยพระอ น, นุลไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมาหากษัตริยต่อหน้าท่านได้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 พระมาหากระสปะปฏิเสธถึงสองครั้งเมื่อพระ อ, อ น, นุ์อ้อนวอนเป็นครั้งที่สามท่านจึงไปไปอย่างขัดพระ อ, อนตน์ไม่ได้โดยปกตินั้นท่านเป็นผู้ที่อยู่ปาไม่ชอบคลุกคลีได้หมู่คณะเมื่อถึงสนักภิกษุณีและให้อาวาตพอสมควรแล้วท่านก็ลากลับต่อมาท่านได้ทราบว่าภิกษุณีรูปหนึ่งติเตียนท่านว่าพระมาหากสปะไม่น่าจะกล่าวทำต่อหน้าเวเทหมุนี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 โดยความเป็นจริงแล้วพระมาหากระสปะมีความสนิทสนมและกรุณาพระอนุลยิงนักกล่าวกันว่าแม้พระอนุลจะมีอายุย่างควายชราเกาหงอกแล้วแต่พระมาหากระสปะก็เรียกทันว่าเด็กน้อยอยู่เสมอพระอนุลเล่าก็ประพฤติตนน่ารักซิจริงๆคราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่า สำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนุงห่มและเครื่องท้ายบ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระธรรมควรจะทำอย่างไรจรึงจะเรียกว่าบูชาพระธรรมพระาศาสดาตรัสให้บูชาพิษุผู้เป็นพระหูสูงทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่าก็ใครเล่าเป็นพระหูสูทรงธรรม พระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ที่เป็นพระผู้สูงทรงธรรมดังกล่าวนั้นก็คือพระอ น, นุลพุทธอนุชาพราหมณ์จึงได้ น, นําจีวรไปถวายพระอ น, นุลเป็นการบูชาพระธรรมพระอ น, นุลจึงเป็นพระสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะกล่าวอีกปริยายหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยชอบ ไม่ดูแคลนธรรมให้ความยำเกรงกับธรรมไม่เหยียบยำำ่ำธรรมชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือธรรมครั้งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใต้ตน้นไทรอันคนเลี้ยงแพชอบมาพักอาศัยเสมอซึ่งนีชื่อว่าอชปาลีโกรธ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 แต่ยังทรงตรักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพยำเกรงย่อมอยู่ลำบากพระอง ค, ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละว่าเป็นธรรมที่ปราณีตฤกซึ่งกวนแก่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระไทยคือเอาธรรมเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งที่สูงสุด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 กากุสัต t h และโกนาคมณะทรงกระทำปีละครั้งพระกัสปะทศพลทรงกระทำทุกๆ6เดือนส่วนพระองค์เองทรงกระทำทุกๆ15วันการเวลาที่กำหนดทาอุโบสถแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่พระโอวาทนั้นเหมือนทุกๆประการดังนี้ตอนแรกได้ทรงแสดงหลักทั่วๆไปว่า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 เป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดแห่งพรหมจรรย์ตอนที่สามทรงกำหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่าต้องไม่ว่าร้ายใครเผยแผ่าศาสนาโดยไม่ต้องรุกรานใครต้องไม่เบียดเบียนเค้นค่าผู้ที่ไม่เชื่อถือไม่กมเห็นใครต้องสำรวมระวังในสิกขาบทปาติโมกสำรวมตนด้วยดีทำตนให้เป็นตัวอย่างในทางสงบต้องไม่เห็นแกป่ปาแก่ท้อง รักษากีติศัก์ในศักดิ์ศรีแห่งสมณะไว้ต้องอยู่ในที่สงบสงัดไม่จูนจานทลุกพล่านต้องประกอบความเพียรทางจิตอยู่เสมอเพื่อละอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้ละเพื่อบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นโดยที่โอวาตปาติโมก ค, คือพระโอวาทิดหลักใหญ่ของผู้รุตเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันและลงกันได้อย่างสนิทอย่างนี้เองพระคันตรจนาจารยผู้รจนาคัมภีร์ จึงได้กล่าวโดวยคาลาธิฐานไว้ว่าเมื่อพระสากะยะมุนีสเสวยข้ามารทุปายาตของนางสุชาดาในตอนเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขาแล้วพระองค์ได้นําถาดทองคําที่ใส่ข้าวมารทุปายาตนั้นไปลอยเส้นในแม่น้ําในรัญชราถาดนั้นลอยวนกระแสน้ําไปหน่อยหนึ่งแล้วก็โจมไปไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์คก่อนเสียงดังกริก๊กพญาหนาคราชซึ่งนอนหลับเป็นเวลานา น, านก็ตื่นขึ้น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 เปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ว่าลอยทวนกระแสนั้นหมายถึงลอยทวนกระแสจิตของคนธรรมดาสภาพปิดของคนมักไหลลื่นลงสู่ที่ต่ําคืออารมณ์อันน้าใคร่น่าพอใจแต่ธรรมของพระพุทธองค์นั้นเน้นหนักไปทางให้ฝึกฝนจิตเพื่อละความใคร่ละความพอใจละความเมาต่างๆจึงเรียกว่าทวนกระแสจิต ดังที่พระองค์ทรงปรารบเมื่อต่างสรุปใหม่ๆและทรงนับริที่จะโปรดเวนยศัตว์ว่าทมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เลิกซึ่งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตมิใช่วิสัยแห่งตา ก, กะคือคิดเอาไม่ได้หรือไม่กวนที่จะลงความเห็นด้วยการเดาวแต่เป็นธรรมที่บดิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเล่าสั์ทั้งหลายส่วนมากยินดีในอะไรคือกามคุณ สัตว์ผู้เห็นป่านั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบ่อคืนกิเลสทั้งมวลทำตัณหาให้สิน้นดับทุกข์เราจะพึงแสดงธรรมหรือไม่หนอถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้เราก็จะพึงลำบากเปล่าโอ้ยาเลยยาประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลยธรรมนี้อันบุคคลผู้เพียบไปด้วยราคะโทสะ จะรู้ได้โดยง่ายไม่ได้เลยบุคคลผู้ยังยินดีพอใจในกิเลสย้อมใจปูกวาเมื่อคือกิเลสทุ่มหอ่อจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งทำที่ทวนกระแสจิตละเอียดประนีตลึกซึ้งเห็นได้ยากนี้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระทัยไปเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขวนขวายน้อยไม่ปราถนาจะแสดงธรรม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 จัดว่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอ น, อนุศีนนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอนิสงส์อ น, อนุเราเคยกล่าวกับพิสุทั้งหลายไว้ว่าถ้าพิสุหวังใช่เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วก็พึงเป็นผู้ทําตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดังนี้ พิงอันประเสริฐของคุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆแม้อาจจะกล่าวนานาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ําใหญ่และแม่นม้ําใดๆก็ตามไม่อาจชําระมนทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมนทินของตนได้ด้วยน้ําคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความร้อนร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันทร์แดงหรือแสงจันทร์อันยองใหญ่หรือ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 พระมองไม่เห็นโทษแห่งการทุศีลเหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นภิกษุผู้สง่าอยู่ในป่าคือตาปะเพราะความสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์ส่องสว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีโชดช่วงเพียงแต่กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทําความปลาโมดแก่ทวยเทพทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีลเหล่าสาการะแม้น้อยแต่ทายกทําแล้วท่านผู้มีศีลย่อมอํานวยผลภัศาล เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนภาชนะสำหรับรองรับสการะของทายกจิตของผู้มีศีนย่อมแน่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเต็มที่มนุษย์ผู้ลหลงไหลอยู่ในโลกิยารมผสมต่อความมันเทินสุขอันเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพสมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารเหลือเสื้อผ้าอาพารที่ต้องใจ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 ให้ดำมืดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นสีหมึกไม่อาจจะมองเห็นอะไรอะไรได้อีกเลยหัวใจที่เล่าร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งร้าวให้เราร้อนมากขึ้นด้วยความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนวัตถุอวิจิตรการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทยานอยากโหมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งอยากใหญ่ แม้จะมีสิ่งที่เตือนไดะเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องคำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่มนุษย์ูุรับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมนั้นมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกลอบเกลียยอย่างน่าวิตก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 โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นความทุกยากลำบากและความดินรนต่างๆของเพื่อนมนุษย์ซึ่งกระเสกกระสนไปได้วยดวงใจที่ว้าวเวไร้ความหวังรวมทั้งตัวอย่างชีวิตแห่งผู้ทุจริคตคดโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบ้านปลายน่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งแต่ว่าบุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขสาราญของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้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 จะมีมากกว่านี้ไม่ได้จะมีพื้นใหม่ต้องสละพผืนเก่าไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทาเพดานทางนี้พห้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไม่เกินความจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤตตนเยี่ยงสกุณนามีบาทและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสองอาจจะโผผินบินไปในเวหาตามต้องการหรือเหมือนเนื้อในป่า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 มิฉะนั้นเธอจะต้องอบัดปาจิตตีเพราะถ้าไม่สละของย่อมไม่สามารถจะปลดเปรื่องอบัตได้พระสารีบุตรมาทันตามกำหนดก่อนจะล่วงสิบวันเป็นอันว่าพระอนุนได้ถวายจีวรแก่พระอกรสาวกเบื้องขวาได้สมประสง กระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระศาสดาก็ยังคงปฏิบัติตามพระวิัยบัญญัติในเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านไหลจีวรพิเศษมาถ้าล่วงสิบวันแล้วท่านก็สละให้พิสุอื่นไปหรือให้สมณเณรก็ได้และต้องแสดงอบัติ ด, ด้วยที่เพลอเก็บจีวรพิเศษไปเกินสิบวนันซึ่งมีวิธีการดังนี้ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรนําจีวร น, นั้นออกมานั่งคุกเข่าพระนมือ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 ภิอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงอบัตตอบว่าเห็นผู้รับการแสดงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจสํารวมระมัดระวังต่อไปภิกษุผู้แสดงจะให้คําม่านว่าจะตั้งใจสํารวมระวังต่อไปแต่มีวิธีที่จะเก็บจีวรไว้ได้ตลอดไปโดยไม่เป็นอบัตและไม่ต้องเสียสละอยู่อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิกัป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 เป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรที่น่าตำหนิเลยพระพุทธอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้วาให้พิสุท์ทั้งหลายในการต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปัจชิมาชนาตาชนจะพึงระลึกถึงภูภูประการข้อนี้ของพระอ น, น์มหาเถระแม้กระหดก็ควรน้อมระลึกถึงพระคุณข้อนี้ของพุทธอนุชา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 ความรักของสตรีนั้นมักจะเข้าทางหูส่วนความรักของบุรุษมักจะเข้าทางตาด้วยเหตุนี้สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่มากในด้านการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศคำที่กล่าวว่านกโกโลิกามีเสียงเป็นสําคัญนารีมีรูปเป็นสําคัญวิชาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบุรุษและนักบดมีความอดทนเป็นสําคัญนั้น ยังเป็นความจริงที่ค้านได้ยากโดยเหตุนี้กระมังสตรีทั้งหลายจึงทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญาเพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยู่เสมอรวมทั้งประดิษฐ์ค้นแบบและสีของเสือ้อแพรพันธ์สีลาพรต่างชนิดเธอจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาปล่าเปลียวเมื่อประจักษ์ว่าในตาของเธอไม่ได้หวานใบหน้าของเธอไม่ได้งามบุดผาดสวดทรงม่ได้อลชร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 มองเห็นแต่สิ่งโสโครกรุงรังจะน่าพักผ่อนหลับนอนชนัยตรงข้ามแม้ถมองดูภายนอกไม่สะดุดตาแต่ว่าภายในสะอาดเรียบร้อยย่อมเป็นเรือนที่น่าอยู่อาศัยฉันใดเลือนกายและเรือนใจก็ฉะนั้นบุรุษผู้ปล่อยให้ความรักเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทําให้หูพลอยหนวกไปด้วยมองไม่เห็นเจตนาดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิสหาย เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มักจะมองเห็นเทพธิดาของเขาแปลรูปเป็นยักษ์เนีไปเสียแล้ว ส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักเขาทางหูหูของเธอก็หลวกไปสิ้นสลับญาติหรือมิตรผัวหังดีเธอได้ยินแต่เสียงที่พร่าำมลำพันสัญญาต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฟ้าฝากไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งข้างร่ำรวยและมากไปด้วยคําหวานแต่ว่าผู้ที่พอประมาณพูดพอประมาณพอฟัง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 เงินตรานั้นโดยธรรมดาเป็นทาตทั้งซื่อและงโง่แล้วแต่ว่าจะใช้ใทําอะไรมันทําทั้งนั้นใช้ให้ทําดีก็ทําใช้ให้ทําชั่วก็ทําจ้างให้ไปฆ่าคนก็ไปอีกโดยไม่มีการคัดค้านโต้แยง้งใดๆเมื่อเงินตราเป็นทั้งทาตทั้งซื่อและงโง่อย่างนี้ใครยอมให้าธาตุคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อํานาจของมันเขาจะงโง่สัตว์ปานใด พระธารมกเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสรพิษดังมีเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสาง แสงสีขาวสาดทาาเป็นแนวยาวทางบุรพาทิตย์อากาศแรกรุ่งอรุณเย็นช่ำพระพายลำเพลยแผ่วหอบเอากลิ่นบุปชาชิในเชนตวรารามไปตามกระแส ร, รวยระเรื่นเสียงไก่ปาขันอยู่เฉยแจ้วเคล้ามาตามสายลมวีเวกวังเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งล่นร่วงลงแล้วดังปอแปะ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 เช้าวันนั้นชาวนาผู้นาสงสารได้เข้ามาสู่ข่ายคือพระยานของพระองค์พ อ, อรุนเบิกฟ้าพระาศาสดามีพระพุทธอรุชา อ, อันน์เป็นปัะชารมนะตามเสด็จออกจากเชตวนารามโดยพุทธลีลาอันประเสริฐบ่ายประพักสู่บริเวณนาของบุรุษผู้นาสงสารคนนั้นอีกมุมหนึ่งกสิกรผู้ยากไร้ตื่นแล้วแต่เช้าตรู่ บริโภคอาหารซึ่งมีแต่เพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถรือหม้อน้ำออกจากบ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าจุดยือนอยู่นะักใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นเขาเห็นพระศาสดาแล้วก็พักไถมาถวายบังคมพระพุทธองค์พระศาสดามิได้ตรัสถามอะไรกับเขาเลย กลับเลี้ยวประภักไปกด้านหนึ่งทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอนุนว่าอานุนนั่นอสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่าพระอนุนทูลเพียงเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดํารัสตรัส ก, กับพระอนุนดังนั้นคิดว่าเราเดินไปเดินมาบริเวณนี้เสมอ ถ้าอสารพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแกเราอย่าปล่อยมันไว้เลยข้ามันเสเถิดคิดแล้วก็นำประตักไปเพื่อตีงูกลับมองไม่เห็นงูแต่ไ่เห็นถุงเงินเป็นจานวนมากวางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินเขายกมือขึ้นเหนือเสียง น, น้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่ปโปรดประทานกลุมทรัพย์ให้นี่หรืออสสารพิษเขาคิดอยู่ในใจ พระพุทธองค์ตรัสเป็นปิิศนาแบบสมณะเท่านั้นเองแต่ว่าที่แท้พระองค์คงตั้งพระไถยเสด็จมาเพื่อโปรดเราแล้วก็ก็นำถุงเงินนั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้ไทนาต่อไปได้วยดวงใจที่เบิกบานพระสากยามุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งจึงผินพระพักมาตรัสกับพระอนนต์ว่าอานน์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษ